ทางที่จะทำให้เขาปัญญาก็คือความที่ขาดสติรักษาทวารทั้งหกหรือรักษาอินทรีย์ทั้งหกดังที่กล่าวมา จึงทำให้มังเกิดความไม่สารวมอินทรีย์ทั้งหกนั้นเมื่อเป็นดังนี้เรื่องทั้งหลายหรือจะกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจจึงไหลเข้าไปสู่ใจ นำให้บังเกิดกิเลสคือเครื่องเศาวมองลงไปสู่จิตใจหรือเข้าสู่จิตใจเป็นอาสวะที่นอง จิตตสันดานอยู่เพราะฉะนั้นสติที่สังวรคือระวังป้องกันอินทรีย์ทั้งหกนี้จินเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึนได้ตรัสสอน ให้รู้จักเอาไว้เมื่อต้องการละอาสวะอิเลสที่ดองสันดานก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติในอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ขณะนั้น จึงจะได้กล่าวถึงเรื่องอินทรีย์แนะนำพอให้รู้จักอินทรีย์นั่นแปล ว, ว่าเป็นใหญ่โดยที่จักู่คือตา ก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปโสตะคือหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงคานะคือจมูกก็เป็นใหญ่ในการทราบกลิ่นหรือโสูดกลิ่นหิวหาคือลิ้นก็เป็นใหญ่ ในการทราบรสหรือลิมรสกายะหรือกายก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องโลทัพระสิ่งที่กายถูกต้องมโนที่แปลกันว่าใจก็เป็นใหญ่ในการรู้ธรรมะคือเรื่องราว เพราะฉะนั้นตาหูจมูกเล่นกายและมณะคือใจทั้งหกนี้จึงเรียกว่าอินทรีอันหนึง่งได้มีแสดงอินทรีทั้งหกนี้ ในหน้าที่อันละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกไว้บางแห่งก็คืออธิบายว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้ห้าขั้ตน้นคือตาหูจมูกลิน้นกาย จะสำเร็จความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนได้ต้องอาศัยมโนคือใจอันเป็นข้อที่หกเข้าประกอบด้วยกล่าวคือจักขู่คือตานั่น จะสำเร็จการเห็นรูปอะไรได้ต้องมีมโนคือใจเขาประกอบด้วยจึงจะสำเร็จการเห็นรูปถ้าไม่มีมโนคือใจเขาประกอบด้วยก็ไม่สำเร็จการเห็นรูป อีกสี่ข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันต้องมีมโนคือใจเขาประกอบด้วยทุกข้อจึงจะสำเร็จการเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิน่นทราบรสทราบผลทัพะเพราะฉะนั้นมโนคือใจ จึงต้องควบคู่อยู่กับตาให้สำเร็จการเห็นรูปหูให้สำเร็จการได้ยินเสียงจมกูใจ ก, กให้สำเร็จการได้สบับกลิ่นลิ้นให้สำเร็จการได้สับรสแลกกายให้สำเร็จ การได้พพทราบพธรระที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้พิจารณาดูก็จะเห็นได้ยกตัวยอย่างโสตะคือหูเพื่อให้สำเร็จการได้ยินเสียงจะต้องมีมนโนคือใจ เข้าประกอบด้วยจึง จ, จะสำเร็จการได้ยินเสียงได้ยกตัวอย่างเช่นการฟังอบรมธรรมะในบัดนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังก็จะต้องเงี้ยวโสตประสาท เพื่อที่จะฟังและก็จะต้องตั้งมโนโคือใจเพื่อฟังด้วยจึงจะฟังได้ยินแต่ขณะใดาที่มโนคือใจไม่ตั้งเพื่อที่จะฟังเพราะใจถูกส่งไปในที่อื่นในเรื่องอื่น หูจะดับทันทีจะไม่ได้ยินเสียงที่กาลังพูดอบรมอยู่นี้หูดีไม่ใช่หูหนวกและเสียงก็กำลังพูดอยู่ก็ไปกระทบกับโสตรประส า, า์อยู่โดยปกติเป็นแต่เพียงว่า เมื่อมนโนคือใจพลากออกไปเสียอูก็ดับทันทีไม่ได้ยินเสียงที่พูดนี้แต่ว่าไม่รู้ในเรื่องที่มนโนคือใจส่งไปนั่นเพราะฉะนั้น มโนคือใจอเป็นข้อที่หกนี้จึงต้องประกอบอยู่กับห้าข้อข้างต้นตลอดเวลาและนอกจากนี้มโนคือใจก็ย่อมเป็นใหญ่ในหน้าที่รู้ธรรมะคือเรื่องราว ของตนโดยเฉพาะอีกด้วยคือแม้ว่าในขณะที่ไม่ได้ใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายลำพังมโ น, โนคือใจเองก็ย่อมรู้ธรรมะคือเรื่องราว ของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผลทพะที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วเช่นว่าได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตเช่นบัดนี้เป็นเวลาคำ่ำมนโนคือใจ ก็รู้ธรรมะคือเรื่องราวของรูปเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในเวลาเช้าในเวลาบ่ายเป็นตน้นเรื่องเหล่านี้ยังมาผดขึ้นในความนึกคิดจะเรียกว่าความนึกคิดของมโนคือใจก็ได้เป็นความรู้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดังที่เรียกกันว่าจินตาความคิดบ้างวิตกความตระึกบ้างวิจารความตรองบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นมโนคือใจอเป็นอินทรีย์ข้อที่หนั้นจึงเป็นข้อสำคัญ ที่ต้องประกอบอยู่ในอินทรีย์ทุกข้อและก็มีหน้าที่จำเพาะข้อของตนโดยจำพาะอีกด้วยเพราะฉะนั้นยังควรรู้จักอินทรีย์ดังกล่าวมานี่และก็ควรทราบว่า ในภาษาธรรมะนั่นยังมีชื่อเรียกอีกด้วยว่าเทวานและอารมณ์เทวานนั่นแปลว่าประตู หรือช่องก็หมายถึงอินทรีทั้งหกเหล่านี้นั่นแหละแต่ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าทวานแปลว่าประตูฉะนั้นทวานจึงมีหกเหมือนกัน ได้แก่จากขุทวนันประตูตาโซตทวานประตูหูขานะทวานประตูจมกูกชิวหาทวานประตูลิ้นกายทวานประตูกายและมโนโทวานประตูใจ เป็นทวานคือประตูของอะไรก็เป็นทวานคือประตูสำหรับเข้าของอารมณ์ทั้งหกอารมณ์นั้นได้แกเ่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงมีหกคู่กันกับทวารทั้งหกนั่นก็คือรูปปารม์อารมณ์คือรูปสัทธารม์อารมณ์คือเสียงคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่นรสสรลมอารมณ์คือรสโหภดทพภารมณ์อารมณ์คือโหดทพสิ่งที่กายถูกต้องและธรรมารณ์อารมณ์คือเรื่องราวคู่กันกับทวารทั้งหกนั้น เป็นทวารทั้งหกสำหรับอารมณ์เข้าเข้าสู่อะไรในตอนนี้มีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าจิตคือเข้าสู่จิต เพราะฉะนั้นคำว่าจิตนี้จึงเป็นคำที่ลึกซึ้งไปกว่าคำว่ามโนแต่ว่าในภาษาไทยนั้นมโนก็ว่ากันว่าใจจิตก็ว่ากันว่าใจเพราะไม่รู้จะหาคำแปล มาให้เหมาะให้กระทัดรัด ก, กว่าคาว่าใจจึงใช้ปนเปนกันไปแต่ในภาษาธรรมนั้นต่างกันมโนนั้นเป็นอาจตนภายในข้อที่หกเป็นอินทรีย์ข้อที่หก และเป็นทวารคือเป็นประตูข้อที่หกสำหรับให้อารมณ์เข้าไปสู่จิตจิตจึงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในทุกๆคนนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงจิตเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ฝึกจิตให้รักษาจิต ให้อบรมจิตและจิตนี้เองเป็นธรรมชาติที่วิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายจิตนี้เอง บรรลุวิสังขารคือนิพพานดังที่ได้ตรัสเอาไว้ว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตบรรลุวิสังขารคือนิพพานที่ปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายตัณหานางขยามัติฉกาบรรลุถึงความสิ้นไปของตัณหาทั้งหลาย จิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายดังนี้และก็ได้ตรัสเรียกจิตว่าเป็นวิญญาณธาตุธาตุรูตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติประพัสสอนคือผุดผ่อง แล้วก็ตรัสว่าแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองไปพระอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทางหลายที่จอดมาแต่ว่าจิตที่ทำกิจภาวนาคืออบรมก็ยองมีมุดคือหลุดพ้นจากอุปกิกเลตคือเครื่องเศร้าหมองทางหลายได้ เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตนี้จึงเป็นธาตุรู้ที่เดยก บ, บุวิญญาณธาตุและวมรชาติปปะพัฒน์สอนคือผุดผ่องมโนคือใจนั่นเป็นเทวานอันหนึ่ง สำหรับที่จะรับอารมณ์เข้าสู่จิตหรือว่าที่จิตจะรับอารมณ์ทางทวารทั้งหกนี้อันมีโมโนเป็นที่หกและก็มีเรียกจิตว่าวิญญาณในที่บางแห่ง เช่นเรียกวิวญญาณธาตุาคือธาตุรูและเรียกนี่ที่อื่นอีกบางแหง่งแต่แม้เช่นนั้นคำว่าวิญญาณนั้นก็ยังมีความหมายถึงขันห้าข้อที่ห้าคือวิญญาณาขันซึ่ง ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นตรัสว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาโตดนดังที่ตรัสแสดงไว้ในเทศนาครั้งที่สองยึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปนั่นมีใช่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนั่นเพราะฉะนั้นวิญญาณในขันห้าจึงมีใช่จิต แต่ว่าจิตนั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่คู่กับกายซึ่งทุกคนมีอยู่คือจิตและกายดังที่มีกันอยู่นี่และแม้จะเรียกว่าทวารหกมโนซึ่งเป็น ทวารข้อที่นั้นก็ยัมีหน้าที่เป็นพิเศษควบคู่กับทวารห้าข้อกงต้นเช่นเดียวกับที่อธิบายเมื่อเรียกว่าอินซีเพราะฉะนั้นหากจะกล่าวหรือแสดงโดยเปรียบเทียบ ว่า ก, กายของเราทุกๆคนนี้เหมือนอย่างเป็นบ้านบ้านหนึ่งซึ่งมีประตูเข้าสองชั้นประตูเข้าชั้นนอกนั้นมีห้าประตู ต้องเข้าประตูห้าประตูข้างนอกเข้ามาก่อนจึงถึงประตูชั้นในซึ่งมีเพียงหนึ่งประตูและเมื่อเข้าประตูหนึ่งประตูชั้นในแล้วจึงจะถึงจิตที่เป็นเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในห้องใน ประตูนอกห้าประตูนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายประตูในหนึ่งประตูนั่นก็คือมโนใจอารมณ์ต้องผ่านประตูนอกทั้งห้าต้องผ่านประตูในมโนคือใจ จึงถึงจิตหรือว่าจิตที่จะออกรับอารมณ์ก็จะต้องออกทางประตูมโนโคือใจจะออกเพียงแค่นั้นก็ได้หากจะออกรับอารมณ์ภายนอกทั้งห้าคือรูปเสียงกลินล่นรสผลึกพะในปัจจุบันก็ต้องผ่านประตู อีกห้าประตูข้างนอกนั้นด้วยแต่หากว่าไม่ผ่านประตูห้าประตูข้างนอกนั้นผ่านประตูใจเพียงประตูเดียวก็ได้คือจิตที่คิดนึกที่เรียกว่าจินตาคิดมิตกตรึกวิจารณ์ตรอง ถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสพลทพัทต่างๆที่ประสบพบผ่านมาแล้วในอนิตดังที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่านัขรสามีเจ้าเมืองนี่เป็นพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตัเรียกจิตว่านัรสามีคือเจ้าเมือง ซึ่งนั่งอยู่ในถ้ากลางของธาตุทั้งสี่ซึ่งมีประตูสำหรับที่จะเข้าสู่เจ้าเมืองลังกล่าวและสตินั่นก็เป็นนายทวารบาน สำหรับที่จะตรวจตราดูผู้ที่จะเข้าเมืองเมื่อเป็นศัตรูภูมุ่งร้ายก็ไม่ให้เขา้าเมื่อเป็นภูมุ่งดีเป็นมิตรก็ให้เขา้า ขันใดก็ดีสติที่รักษาทวารทั้งหกอินทรีย์ทั้งหกดังที่กล่าวมานั้นเมื่อประจบอารมณ์ หรือว่าเมื่ออายตนะภายในภายนอกประโจกันที่พูดกันตามปะกะติก็ดีหรือจะแสดงว่าเมื่อประโจอารมณ์ที่ ประสบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมวณหคือใจโดยเป็นเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องผลทาาัพอภังเรื่องของเรื่องเหล่านี้บ้างสติก็ ระลึกรู้ว่าอะไรควรจะใส่เข้าไปในใจอะไรไม่ควรจะใส่เข้าไปในใจอะไรที่ควรมานัศิการอะไรที่ไม่ควรมานัิกาดังที่ตรัสไว้ในพระสูตรที่ยกขึ้นเป็นที่ตั้งนี้เมื่อเป็น เรื่องที่ไม่ควรจะมนัิการไม่ควรจะใส่ไว้ในใจ